เดินนธรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายแต่ร่งปปุิญาณได้นําเสนอเรื่องตุกขสมุทัยตามโครงสร้างที่สงแสดงไว้ในมาสติปทานสุรก็มายุติลงด้วยตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็เกิดขึ้นและตั้งอยู่ที่วิตกกวิจาร์ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนิโรธ ตามที่ส่งแสดงอนธะิบายไว้ทั้งในส่วนธรรมจักรกัปตันสูตรและก็ในส่วนของมสติปัฏฐานาสูตรนั้นก็คงจะต้องเว้นระยะไปอีกช่วงหนึ่งซืบเนื่องจากในวันที่สองถึงวันที่เจ็ดพฤษภาคมที่จะถึงนี้อยู่ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชา ซึ่งคณะพุทธปิษัตย์ท้งครหัข่าต่บรประชิตได้พร้อมเพรียงกันจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมพศ2527แล้วก็สื่อต่อกันมาโดยดําดับก็มีพักไปปีหนึ่งคือพศ2529ในรัฐบาลบรรหารศิลปะอาชารคือท่านดำรงตำแหน่งสองตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผูกพันกับงานสัปดาห์ส่งเสริมและพุทธศาสนาแล้วก็พอดีก็เป็นปีที่จัดงานประสบของสมเด็จย่าอยู่ด้วยแล้วก็สันนยกบรัญรหารเองก็กำลังจะโดนพรรคประชาธิปัตย์เขอาปีปลายไม่ไว้วางใจเรื่องก็อ้างกันไปอ้างกันมาคาราคัดสั่งเลยก็ไม่ได้จัดในปีนั้น ก็ยังรู้สึกว่ า, าพรรคนี้เป็นพรรคชาติไทยแต่วก็จิงก็เป็นพรรคเดียวที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้จัดงานทำร้ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาเราเริ่มงานนี้มานานนะฮะตั้งแต่ปศะ ส, ะสองพันรอยี่สิบเจ็ดก็คือสิบเจ็ดปีมาแล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่สิบเจ็ดมือนก็ค่อนข้างจะถูกครักอยู่บ้างเพราะว่า อยู่ในช่วงวลเลียววดต่อที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนื่องจากเราจุดมุ่งหมายจริงๆเนี่ยคือต้องการจะรณรงค์เชิญชวนชักชวนพุทธศาสนิกช น, นให้อาศัยในยะของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป้าหมายจริงๆนะตั้งใจไว้ว่ามันน่าจะรณรงค์กันสามเดือนต่อหนึ่งครั้งและเราก็มีวันสําคัญในลักษณะนั้นอยู่ด้วย คือเรามีวันมาคบบูชาซึ่งจะเน้นหนักไปที่พระสัิธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักที่เราเรียกว่าโอวาทปาติมโมกซึ่งถือว่าเป็นอุดมการเป็นหลักการแล้วก็เป็นวิธีการในทางพระพุทธศาสนาเรามันมีวันพิสาขาบูชาบุรณะมีนะฮะคือเพ็ญเดือนหก เป็นวันคลายกับวันประสูตริสรูสเสด็จดอกขันถ้าเป็นินผ่านของพระพุทธเจ้าที่จริงต่อจากนั้นเน่เรามีวิสาขาอัตมีอยู่ด้วยคือวันเพ็ญแรมแปดคำ่ำแต่าตามปกติก็จะทำกันในวัดบางวัดเพราะว่าอาจจะเวลากระชัน้นคือใกล้เคียงกันหลางกันเพีงเจ็ดวันต่อจากนั้น ไปสามเดือนนะฮะคือหลังจากเป็นเดือนหกก็ไปถึงเป็นเดือนแปดเรามีวันอาสาหางบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรยัยเกิดขึ้นสมบูรณ์ในวันนั้นแล้วก็เป็นวันที่พระเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาก็ถือว่าเป็นวันพระพุทธศาสนาเลยทั้คือถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้แล้วก็ต่อมาก็ถึงวันปรานาวันออกพรรษานะฮะ เราต้องเอาวันออกพรนษาเพราะว่าเป็นวันที่พุทธบริษัททุกฝ่ายได้ปฏิบัติภารกิจของตนส่วนวันเปนานั้นเป็นเรื่องของพระโดยเฉพาะก็ฝันกันมานานนะแล้วเคยคุยกับผู้ใหญ่ในวงราชการตั้งแต่สมัย น, นู้นนะะสมัยุเอกอาทิตย์กำลับบงเอกเป็นพอบอพอบทออบอพอบอพอบสส ก็ส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราก็เริ่มมาจากพวกฝ่ายทหารต่อมาเมื่อพศสองพันห้าร้อยสาสิบหกเนี่ยพลเอกเวาลิต ย, ยิจงเจริญท่านมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมา t ไทยท่านมีความสนใจมากเป็นพิเศษคือมีประธานจากงานคนเดียวที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ แล้วก็พยายามดําเนินการที่จะพัฒนาองค์กรตรงเนี้ยที่เราเรียกว่าศูนย์ส่สงเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยขึ้นมาเป็นองคอ์กรศูนย์รวมประสานใจของพุทธบริษัททั้งหลายคือไม่ได้เป็นของวัดใดวัดหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นของพระ น, น, น, นิกายใดนิกายหนึ่งเป็นเรื่องของกลุ่มพุทธบริษัทล้วนๆจึงก็พยายามที่จะคิดองค์กรในลักษณะนี้ขึ้นมานาน แต่ก็ท่านก็มาทำไปได้ตอนนั้นโครงการค่อนข้างใหญ่นะหรือถ้าหากว่าพลเอกชลิตยังอยู่ในอำนาจในรัฐบาลชวงหนึ่งเนี่ยต่อกันมาเราก็อาจจะมีศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วก็ได้เพราะตอนนั้นรัฐบาลชวงหนึ่งเนี่ยอนุมัติงบประมาณให้สร้างศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยถึง400กว่าล้านนะัแต่ผลท้ายก็ ผ่านไปเฉยๆคือไม่ได้เลยก็ในการต่อมามันก็เกิดเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทําให้งานเหล่านี้งานของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ตั้งขึ้นเนี่ยคือเป็นการมองถึงว่าการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเราเนี่ยมันสืบต่อมาโดยพิธีใดที่เรียกว่าพูดกันง่ายที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยก็มีการศึกษาค้นคว้า ก, กัน และในที่สุดก็ไปพบในที่แห่งหนึ่งไปรับสั่งเล่าของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปนิพานก็ประมาณสามเดือนนะคือหลังจากที่ทรงปรองพระชนมยุทสังขารเสร็จแล้วเนี่ยบาปานนก็ทราบทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปนิพานต่อจากวันนั้นไปอีกสามเดือนคือต่อจากเป็นเดือนสามไปเป็นเดือนหกนี่ก็สามเดือนพอดี ก็เลยก็กราบทูลราตนาให้ทรงดํารงพระชนอยู่ต่อไปแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่รับนะฮะแล้วก็รับสั่งเล่าว่ า, วามันเป็นพระประสงค์ของพระองค์ตั้งพระไถ่ไว้นานแล้วแล้วก็เล่าเหตุการณ์ย้อนไปในสมัยที่ทรงศัสรู้ใหม่ๆว่าในขณะที่สา ม, มดีพรห ม, มากราบทูลราทนาให้พระองค์ดํารงพระชนอยู่นานแล้วก็ประกาศธรรมแก่ชาวโลกเนี่ย หลังจากรับประรัตนาแล้วพญามารก็มากราบทูลในรัตนาให้พระพุทธเจา้านิพพานเพราะถือว่าก็เสร็จภารกิจส่วนโรงแล้วไม่ควรจะอยู่ทรมานโกรากายใะความลำบากเรากราบทูลในรัตนาให้เป็นนิพพานพระเจ้ากระสมรับสั่งคล้ายๆกับเป็นพระพุทธปฏิธานคือการ ประกาศอธิษฐานพระไทยที่จะดำรงพระชนอยู่เพื่อทำงานสี่อย่างเดีให้เสร็จก่อนแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงพระองค์ก็จะไปนิพพานเพราะตอนที่มารมากราบทูลราตนาให้พระองค์นิพพานก็อ้างพระวุธรรมรัเหล่านี้ว่าทั้งหมดนั้นก็เสร็จสิ้นบริบูรณ์สมบูรณ์บริบูบบรณ์ลแล้วพระพุทธเจ้าก็ควรจะไปนิพพานได้แล้ว พระองค์ก็เลยก็ตัดสินไทยตัดสินพระไทยจะไปนิพพานสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นพระพุทธปฏิทานนะฮะก็มีอยู่4ประการประการแรกก็คือจะดำรงพระชนอยูเย่เพื่อให้การศึกษาแก่พุทธบริษัทคือให้พุทธบริษัทได้ศึกษาในพระปริยติสัทธรรมคือมีการศึกษาเรียนรู้ตำหลักธรรมะที่พระองค์ทรงสแสดงไว้้วยนิยต่าง ซึ่งท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าในรายการใต้ร่มพระโพธิญานซึ่งก็ไม่น่าเชื่อมกันนะฮะว่าผ่านมาปีกว่าแล้วแล้วท่านถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ลึกขึ้นไปกว่านั้นว่ายังไม่เคยได้ไรายอะไรเลยสามารถจัดงานได้ยังไงถามว่าต้องเสียค่าใช้ใจ่ายไหมบอกว่าเสียนะฮะที่จริงเดือนนั้ก็หมื่นกว่าบาทแต่พอดีก็เห็นว่า พอทําไปได้ก็ไม่ไม่อยากจะรบกวนญาติโยมทจริงอาตมาทำรายการวิทยุอยู่ประมาณหกเจ็ดสถานีคือเดือนหนึ่งก็แปดสิบครั้งนลนะเนี่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการวิร่งไรไม่ใช่ส่วนหนึ่งก็เป็นการบริจาคให้เวลาเพราะสถานีทั้งหลายเช่นรอรออสกรปกลางเนี่ยครก็ก็ถวายเวลาให้ ตอนนี้มนให้พูกทีนี้ก็มีพวกผลหนึ่งพวกก็เรียกว่าอะไรล่ะผลมผลสองนี่อันนี้ก็ต้องเช่าเวลาแต่ว่าก็งานก็พอเดินไปได้ก็เลยก็ทำมาจนถึงเวลานี้ก็ได้ผ่านพระสูตรแล้วก็ผ่านตัวอย่างมาหลายหลายเรื่อง ซึ่งเหนว่าแนวการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นโดยรูปแบบวิธีการเผยแผ่เนี่ยมันก็หลากหลายแต่เรียกว่านาวังกาจสุศาส์คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีองค์เก้าคือวิธีการสอนในเก้าประการแนวตัวนี้ที่จริงก็คือป ร, ริยัติธรรมจะสอนในแนวใดก็ได้นะฮะบางครั้งบางคราวก็อาจจะเล่าเรื่องฉาดดก ชะดก็ไปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ววันก่อนนี่อ่านหนังสือพิมพไปเจอคนพูดวิพากษ์วิจารณ์ทั้งการผู้เรื่องชาดกแสดงเรื่องชาดกคล้ายๆก็เชยล้าสมัยคือเขาไม่รู้ว่าชาดกนั้นเป็นพระพุทธรรมหลักเป็นธรรมะที่ส่งแสดงแล้วก็เป็นหลักในการดำรงชีวิตของบุคคล เป็นการสอนธรรมะจากบุคลิกภาพของบุคคลการเคลื่อนไหวการทําการพูดของบุคคลทีนี้บางทีเนี่ยเราก็เก่งกันเกินไปนะฮะคือเรื่องที่ตัวเองไม่ศึกษาเรียนรู้ก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันได้แล้วก็ขาดความเคารพในประสัทธรรมนะพระเตวีดกเป็นองค์พระศัทธรรมเป็นปริยัติศัทธรรมซึ่งชาดกเนี่ยเป็นหนึ่งในนวังกาศตุสาสหรือคําสอนที่มีองค์เก้าประการ การสอนในแนวนี้อาจจะสอนได้หลายวิธีอาจจะสอนให้รู้เช่นว่ายีโอตรปะปาเป็นธรรมะคุ้มครองโลกยีโอตรปะปาคืออะไระเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีอาการยังไงมีท่าทีต่ออารมณ์ที่ตนสัมผัสอย่างไรแล้วก็ทาหน้าที่คุ้มครองโลกได้ยังไงแล้วก็มีการชี้แจงมีการอธิบายเป็นแนวตรงนั้นก็เรียกว่าปริยัติสัจธรร ก็เรื่องนี้ก็ได้ก่อนมันก่อน น, อนี่ก็เจอหนังสือพิมพ์ว่าพูดให้ท่องเป็นนกแ ก, ก้วนกขุนทองชอบพูดไอะพวกเนี้ยคืออวดดีกันมากไปะนะฮะที่จริงเรื่องหลักๆเนี่ยเขท่องกันทั้งนั้นแหละไม่มีมนุษย์ไหนที่ไม่ท่องหรอกมันเป็นสูตรสำคัญสําคัญเนี่ยสูตรทั้งเคมีสูตรทางคณิตศาสตร์สูตรอะไรอะไรเนี่ยท่องได้ไม่ได้ก็ต้องจาําต้องแม่นนะฮะเรื่องมาเรื่องเนี่ย มันแม่นโดยไม่ได้คิดเลยวันการท่องจำเนี่ยเป็นงานของจิตเป็นกระบวนการศึกษาเรียนรู้ทางจิตก็คือการจิตนี่ทาหน้าที่จาอารมณ์ทั้งหลายที่มาที่ผ่านมาทางประสาท ส, สัมผัสเพราะในกระบวนการศึกษาเรียนรู้ซึ่งเป็นส่วนของปรัปญาติัตธรรมเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้มาทางประสาท ส, สัมผัสทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางๆเราต้องเรียนรู้หมดน่ะธรรมะสามกลุ่มเนี่ย แล้วก็จําทรงเรื่องเหล่านั้นเอาไว้อะไรที่เป็นเป็นสูเป็นกฎเป็นเกณฑ์นะเป็นหลักสําคัญเนี่ยถ้าเราไม่จำํำเราพูดได้ไงเจนซีห้าคืออะไรบ้างเนี่ยถ้าไม่จําแล้วถามถามมาถ้าไม่จำเนี่ยจะตอบได้เนะพราะแม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์มันก็มีหน่วยความจำที่ไปอ้างอะไรต่ออะไรกข้ อ, ของแลังเนี่ยคือคือมันก็แปลกลนะบางทีเนี่ยพวกนี้ชอบพูดว่า ไม่ได้ฝึกไปคิดเราโบกประวัติศาสรนานี่คือตัวคิดเนี่จิตเนี่ยเป็นตัวคิดอารมณ์นะฮะแต่ก็มีหน้าที่จําอารมณ์ด้วยวั น, นสุดหลกัหลกๆเนี่ยก็ต้องแม่นโภชนาการซีคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแม่นทําไมต้องเรียนอย่างนั้นละ่ะเรียงอยื่นได้ไหมมันต้องเรียนอย่างนั้นเพราะเขาเรียนไปตามลําดับจิตที่มันจะเดินไปได้นะฮะจิตจะต้องมีความรู้สึกต่ตอคนต่อสัตว์ด้วยเมตตาให้ได้จะก่อน เมื่อเขาประสบความทุกข์จึงจะเกิดกรุณาได้เมื่อประสบความเจริญจะเกิดมุทิตาได้เมื่อประสบผลกรรมจะเกิดอุเบกขาได้แต่ถ้าเราเกลียดเขาหรือเรารักเขาเนี่ยมันจะเกิดเป็นความยินดียินได้เช่นสมมุติว่าคนที่เราเกลียดประสบปัญหาเนี่ยแทนที่เราจะเกิดกรุณาเราจะเกิดพิหิงสาคือไปท้ำเติมเขาหรือคนที่เราเกลียดมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยแทนที่เราจะเกิดมุทิตาี่จะเกิดริษยา หรือว่าคนที่เราเกลียดแล้วก็ประสบผลกรรมเราไม่สาแก่ใจคือต้องการจะซ้ำเติมเป็นต้นเนี่ยนั่นคือแสดงเหตนว่ามันเป็นหลักการที่เกิดขึ้นโดยสัพพนยุตยานในการสัสรูของพระพุทธเจ้าซึ่งเราไม่ใช่ว่าไปไปนึกจะพูดนึกจะเขียนสือว่าจิตที่เสรีภาพในการพูดการเขียนนนะใช้ได้แต่ว่าจะได้มาเกิดประโยชน์อะไร สะสมบาปด้วยปากสะสมบาปด้วยใจเนี่ยมันได้ไ ด, ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาคือเรื่องแต่และเรื่องนี่ที่จริงมันไม่ใช่ง่ายะนะอาจจะมาศึกษามาทั้งสี่สิบกว่าปีแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไรแต่คนที่ไม่ค่อยมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอะไรมากเนี่ยมันจะไปวิพากษ์วิจารในถังลบเนี่ยไม่เป็นการสมควรหรอกเพราะเป็นการดุงหมิ่นประรรมมันเป็นบาป เพราะใจมันอาการะวะนะใจไม่รู้สึกเคารพต่อพระพุทธเจ้าต่อพระสัทธรรมพระเจ้าสอนนะครคือดํางดาวที่สามนี่คือจําเลยก็เรียกว่าจะสา ป, ปริจิตาคือสั่งสมไว้ด้วยว่าจารคือท่องนั่นเองแล้วก็เรื่องมาเรื่องในท่องอยู่ท่องปากนะจ๊องแล้วก็ต่อไปเน้นําเรื่องเหล่านั้นมาคิดแต่เราสังเกตว่าถ้าเราไม่จําในเราคิดไม่ได้หรอกมันต้องผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ผ่าน ประาทสัมผัสมาก่อนถึงจะคิดได้เนี่ยแล้วมันต้องมีความหลากหลายด้วยนะะไม่งั้นจะคิดไม่ได้นะคล้ายๆก็ลองพิสูจน์ดูก็ได้นะสมมติมว่าเราสอนหนังสือเอด็กสอนกอไก่ให้เด็ ก, ก, ด ก, ดกตัวเดียวเลยแล้วพอตัวมันโตขึ้นตัวเล็กลงเนี่ยเธออ่านไม่ออกเพราะอะไรเพรื่อเธอไม่ได้จําไปนั้นความคิดตรงเนี้ยความคิดที่แม่ท่องแม่จําเนี่ยเป็นความคิดที่เป็นนา น, านิคมของไกรร่างเขา คือแสดงควาดังนี่ก็เตรียมที่จะขายคอมพิวเตอร์ขายเครื่องจิ้มมาให้เรานั่งจิ้มนะฮะปุณธายสมองไม่มีอะไรก็มานั่งจิ้มกันเป็นเรื่องที่น่าสลดอนะวงการศึกษารนี่ชอบพูดกันจริงเลยนะฮะดรดรแปะตั้งหลายเนี่ยออกกันมานี่พูดบอ่อยจริงไม่รู้คิดยังไงเพาแม้แต่ประโยชน์ประทานหลักเกณฑ์ต่างๆ่างที่ท่านพูดก็ท่านจ ำ, ท, นจำท่านจำมาพูดเอ้ามันไม่ใช่ว่าเออท่านไม่ได้จําอะไรเลยไม่ได้ฝาดประกาศสัมผัสอะไรเลยแล้วมามแมาพูดเป็น ไ, ไปไม่ได้ แต่ประการต่อไปก็คือต้องนำมาคิดคิดได้ได้คิดได้ดีคิดได้เป็นคิดได้ชอบแล้วก็มีเหตุมีผลสามารถจะมองผ่านมิติต่างๆางไปสู่อีกเรื่องเหล่าอื่นซึ่งไม่ปรากฏ้วยได้จะเกิดมีความเข้าใจนั้นก็คือเป็นบุตรมธานข้อแรกคือเรื่องประปริยัติสัจธรรมประการที่สอง่นเมื่อเรียนมาแล้วการศึกษาเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าศึกษาเนี่ย ที่จริงมันไม่ตรงกับที่เราเรียนข้างนอกทีเดียวนะการเรียนข้างนอกมันจริงๆมันมีแนวของความเป็นศิลปะคือเป็นการเรียนรู้แต่ว่าจริงๆกิเลสมันไม่ค่อยได้ลดหรอกมันเพิ่มกิเลสเนี่ยมักจะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าสมมติเราเรียนได้ปัญญาเอกแล้วก็ไปสมัครทํางานเนี่ยเขาให้เตืนเดือนท่าปัญญาตรีนี่เราไม่เอาแต่ถ้าให้เกินปัญญาเอกเรา สแสดงว่าเราเรียนแล้วมันเกิดโลภะถ้าเขาให้น้อยเราจะเกิดโทสะเขาให้มากมันจะเกิดโลภะเพิ่มขึ้ น, นแต่ว่าวิธีการทางาศาสนาการศึกษาในแนวาศาสนาเนี่ยความโลภความโกรธความหลงต้องลดดังนั้นจึงต้องนําไปสู่การภาคปฏิบัติปฏิบัติก็คือทําตัวเป็นคนมีศีลมีธรรมนะเช่นสมมติว่าเรามีฮิริโอตรปะปาอยู่ภายในใจเป็นเรือนใจเป็นหลักใจ เราก็จะมีความละอายต่อบาปมีความสะดุ้งกลัวต่อผลแห่งบาปไม่กล้าคิดไม่กล้าทำในเรื่องที่เป็นบาปแล้วก็แสดงว่าบาปที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดแล้วก็รังเกียจที่จะคิดถึงในแนวบาปมันก็พยายามลดละบันเทาลงไปบาปใหม่ก็ยังไม่เกิดบาปเก่าก็ถูกลดไป ความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดก็ได้เกิดความดีใหม่ที่เกิดแล้วก็จะมีการสร้างสารรค์พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปรักษาไว้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเวลาภาคปฏิบัติเนี่ยมันสะทอ้อนออกมาเป็นรูปธรรมเราเรียกว่ามีธรรมะเช็นสมมติว่าเนี่ยสมมุติว่ า, วาเราถูกเขาสบประมาทรือถูกดูห ม, มิน่นเราไม่โกรธนี่ก็แสดงวารามีธรรมะเป็นขันติบางครั้งบางคราวแม่คนจะแสดงอาการก้าวร้าวรุนแรงอะไรต่อไรเนี่ รู้สึกเมตตาต่อเขาให้อภัยต่อเขาไม่ถือสาความต่อเขาเนี่ยกระสัยเราก็มีธรรมะในในจุดนั้นนันเนี่ยปณการการศึกษาเรียนรู้จึงซ้อนกันอยู่สองอย่างคือต้องปฏิบัติได้ด้วยแล้ก็ทํานองคล้ายๆกับเราศึกษาเรียนรู้ในทางโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าวิชาเป็นอันมากเช่นสมมุติว่าก็สอนเรื่องการอาบน้ําไปถูเนื้อถูตัวแปลงฟันทำความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ย เราก็ต้องไปไบไปตามนั้นเนี่ยฮะจึงชื่อว่าเป็นการศึกษาจริงๆไม่ใช่วาสักแต่ว่าอ่านตอบได้แล้วก็ถือว่าจบการศึกษาประการต่อไปก็เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะสัมผัสผลผลก็ธรรมะนี่ดูง่ายๆนะฮะว่ามันจะมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความสงบเพิ่มขึ้นจิตใจจะเย็นแล้วก็มีภูมิต้านทานมีพลัง ในการต้านทานกับการกระทบกระทั่งกระแทกอะไรมาจากข้างนอกก็แล้วแต่จิตใจจะไม่สะดุ้งสะเทือนในแจะกระทบก็ไม่สะเทือนกระแทกก็ไม่สะเทือนซึ่งก็เป็นหลักการสําคัญที่ยืนยันผลของการปฏิบัติว่าถ้าเรานั้นมีธรรมะใกล้ๆกับอะไรละ่ะ แกล้ๆก็เรามีภูมิด้านทานโรคเนี่ยบางครั้งเราไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็ไม่เกิดโรคอย่างอาตมาในภูมิด้านทานโรคหวัดเนี่ยต่ำมันก็เจอหวัดแล้วก็เป็นหวัดบ่อยที่สุดก็พยายามแก้ไขก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กแต่น้อยมาก็ปล่อยก็ไป รักษาก็รักษากันไปรักษากได้ก็ว่ากันไปรัษ า, าไม่หายก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ก็แสดงเราก็รู้ว่าภูมิด้านทานในด้านนี้เราดำเราก็พยายามลบๆนะเราลบาละละอะไรก็ตามที่จะมันเป็นผาหาของหวัดเนี่ยเราก็ลบๆแต่ก็ยังเกิดนะฮะเพะื่อนตามวังจะสังเกตเราบางทีเอามามีเสียงหวัดอยู่ต่อกันแต่หลายวันเราก็หยุดไม่ได้นะ หยุดไม่ได้เพราะว่า ง, งานมันมันเร่งรัดมาทุกวันบางคราวก็ต้องประทันขอประทานโทษเหมื่นกันว่าที่ทางที่เสียงค่อนข้างเป็นหวัดแล้วก็ยังมาพูดอยู่เนี่ยมันมีความจะเป็นด้วยเงินเวลาและตัวงานเราจะไปขอโอกาสพักผ่อนับนอนให้หายหสะกอดเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ เ <Das que ath> มื่อเราปฏิบัติแล้วจะเกิดสัมผัสผลเป็นสุขเป็นสงบเป็นเย็นเป็นปิติประโมทไม่ค่อยเดือดร้อนไม่ค่อยหวาดระแวงไม่ค่อยมีแต้องวลอะไรนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีต่อคนอื่นคือต้องการให้คนอื่นได้อย่างที่เราได้ต้องการในคนอื่นเป็นอย่างที่เราเป็นต้องการในคนอื่นมีอย่างที่เรามีก็เกิดไม่ตากรุณ า, าต่อบุคคลอื่นก็อย่างพระ ร, ราชบัญญัติการสาแห่งชาติฉบับปัจจุบันเนี่ย ที่เรพูดถึงความรู้คู่คุณธรรมหรือพูดถึงเก่งดีมีความสุขเนี่ยที่จริงเป็นพุทธคุณเนี่นะครับการศึกษาของพู้เรียนมาตั้งแต่ไหนแต่ ไ, ตไรก็ศึกษาอย่างนั้นจริงแต่ว่าเปลี่ยนคําไม่เจ๋ยๆคามันเปลี่ยนไม่เจ๋ยโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยเก่งก็คือคนที่มีปัญญามากดีก็คือคนที่ใจสะอาดบริสุทธิ์ก็มีความสุขก็คือคนที่อยู่อย่างไม่เป็นศัตรูกับใครๆนะมีความเป็นมิตรสนิทสนมกับ ค, คนอื่นแล้วก็มีความสุขตั้งแต่เนี้ย ดี่ก็เป็นเรื่องที่ประรบนําความว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยก็อาจจะพูดเรื่องกิจกรรมต่างๆภายในงานในแต่ละวันเพื่อเชิญชวนเชิญชวนทานพุทธศาสนิกชนเนี่ยไปเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เราต้องการให้คนไปกันมากๆเพราะว่ามันจะเน้นที่การศึกษาเรียนรู้เป็นหลักนะฮะไม่ใช่เป็นงานที่อะไรสตางค์สตาร์อะไรแต่ประการใดแต่พวกหาสตางค์เขาก็หากันไปนะฮะ แต่เมื่องานจริงๆจะเน้นไปทางวิชาการทางความรู้ทางสันทนาการด้านต่างๆท้องฟังไปหลายแต่วพ่ยโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญรุ่งามาืองไปบย์ในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี